เรียนธรรมะอย่าไปดือ้อเราก็าเปิดใจเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆก่อนพอฟังแล้วก็อย่าไปเชื่อเอาไปทดลองทดลองแล้วเห็นผลถึงจะเชื่อถ้าทดลองแล้วไม่ถูกกับจริตนิสัยเ ร, เราก็ไม่เอาไม่จําเป็นไม่ใช่เจอพี่เลี้ยงสอนไปต้องเชื่อหมดหรอกก็ต้องไปลองดูว่าจริงไม่จริง ทำแล้วได้ผลไหมขนาดคนเจอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทุกคนยังเข้าใจธรรมะนะคนเจอพระพเจ้าก็ไม่เอาเหมือนกันก็เป็นอิสระส่วนตัวแล้วแต่จะเชื่อแต่ถ้าเป็นคนฉลาดได้ยินอะไรนะก็ต้องฟังด้วยใจที่เปิดกว้างก่อนถ้าเราเป็นน้ำชาล้นถ้วยเราก็รับอะไรใหม่ๆไม่ได้ ถ้าใจเราเปิดกว้างเราฟังดูมีเหตุมีผลไหมรู้วิธีแล้วลองทดลองนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่ได้บอกให้เชื่อจะเป็นธรรมะที่ชวนให้ลองนะท่านบอกว่าเอหิป e ัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดนะวิธีลองทํำยังไงนะโอปัญญิโกน้อมเข้ามามาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเอง ถ้ามาโอปัญยิโกแล้วนะปัจจตังเบทิตัปโพวินยุหิวินยุชนจะเห็นด้วยตัวเองตัดสินได้ด้วยตัวเองแต่ก็เฉพาะวินยุชนนะทรชนตัดสินไม่ได้ถ้าใจของเราเป็นวินยุชนคนซึ่งมันรู้เดียงสาไหนรู้เหตุรู้ผลอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินได้ทุกวันนี้ธรรมะเรากล่อนนะคือคนลืมธรรมะไปเยอะแล้ว คนยุคนี้ไม่ค่อยมีศีลมีธรรมอะไรโหดร้ายทาทุนแยกๆไปหมดเห็นผลประโยชน์เป็นใหญ่ไม่ได้เห็นธรรมะเป็นใหญ่แต่ใครเขาทําอะไรเขาก็ได้สิ่งนั้นแหละได้ผลของการกระทำํำ น, นั้นแหละเขาไม่สนใจธรรมะเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับความสุขจากธรรมะพวกเราสนใจธรรมะเราก็ได้รับประโยชน์ได้ความสุขจากธรรมะนี่ถ้าธรรมะปฏิบัติแล้วนะ ไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็ไม่เห็นมีความสุขเลยก็มีสองอย่างอันแรกปฏิบัติผิดอันที่สองปฏิบัติไม่พองั้นถ้าปฏิบัติได้ถูกนะ่อต้องได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนของการปฏิบัติประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนะมันมีตั้งแต่ปัจจุบันเราสามารถถอดถอนความทุกข์ทางใจ ในปัจจุบันนี้ออกได้ทันทีทันใดนะไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติชาตินี้แล้วอีก10ชาติถึงจะถอนความทุกข์ออกได้ลดความทุกข์ออกไดนะ้ถ้าปฏิบัติถูกเดี๋ยวนี้เนี่ยความทุกข์จะหล่นหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งซึ่งหน้าเลยนะความทุกข์อันนี้หมายถึงความทุกข์ทางจิตใจส่วนความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเมื่อเรามีร่างกายแล้วยังไงก็ทุกข์นีไม่พ้น ธรรมะของพระเทวเจ้าเนี่ยถ้าเราปฏิบัตินะเราจะถอนความทุกข์ทางใจเราออกได้ในปัจจุบันนี้เลยนะมีประโยชน์อยู่ในปัจจุบันนะมีประโยชน์ในอนาคตยิ่งปฏิบัติไปยิ่งปฏิบัติไปนะความทุกข์ยิ่งลดลงลดลงจิตใจเข้าถึงสันติสุขมากขึ้นมากขึ้นเรียนกะมีประโยชน์ทั้งปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตอย่างพวกเราบางทีเคยเห็นคนแก่นะ พราวาสแก่ๆเนี่ยนะที่ดีเนี่ยหายากนะส่วนมากจิตใจเศร้าหมองนะเราดูครูบาอาจารย์ที่แก่ๆสิสดใสไหมนะใครเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่แก่ๆมั้งหลวงปู่เหรียนเคยเห็นไหมหลวงตามหาบัวเคยเห็นไหมแต่ละองค์แต่ละองค์งนะบางองคนะ์เน้่ใสเป็นแก้วเลยงามมากเลยนะเห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจทําไมคนแก่ชาวโลกไม่เป็นอย่างนั้น ก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างท่านเงินธรรมะนี่นะยิ่งปฏิบัตินะคล้ายๆพลังฝึกปรือยิ่งมากเนะี่ยยิ่งมีความสุขขึ้นเป็นลําดับลําดับงั้มีความสุขมีประโยชน์มีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันมีประโยชน์มีความสุขในอนาคตนะมีประโยชน์มีความสุขอย่างยิ่งคือพาให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้มรรคผลนิพพานมีจริงๆนะเป็นสภาวะที่จิตหมดความอยาก หมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตของเราเนี่ยเที่ยวตะครุบอารมณ์ตลอดเวลาอารมณ์ดีก็ตะครุบอารมณ์ร้ายก็ตะครุบตะครุบไปเรื่อยๆทุกคราวที่หยิบฉวยอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยพาระทางใจจะเกิดขึ้นคล้ายๆไปหยิบอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งนะามีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจแล้วอันนี้หนักไหมเบาหเาถือไปเรื่อยๆ สบายไม่ล่ะถือทั้งวันถือทั้งคืนเราบอกอันนี้หนักนี่กา้าน้ํานี่หนักใช่ไหมอันนี้เบาถ้าผููมีปัญญารู้ว่าถ้าเบาต้องอย่างนี้นะคือไม่ว่าจะหยิบจะช่วยอะไรนะจะเล็กจะน้อยแค่ไหนนะก็เป็นภาราทางใจเนี่ยถ้าเราพาวนาถึงขีดสุดปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดจริงๆนะจิตจะไม่ไปหยิบไปช่วยอะไรขึ้นมาเลย จิจะเป็นอิสระเป็นเบาโปร่งโล่ ง, ลง เ, เบาสบายไม่ต้องรักษาด้วยถ้ายัางต้องคอยระวังคอยรักษาเนี้ยแสดงว่างานยังไม่เสร็จยังภาวนาไม่จบถ้าภาวนาจบเนี้ยไม่มีอะไรต้องทําอีกแล้วเพื่อจะให้จิตมันไม่ไปยึดไปถืออะไรมันไม่ยึดเองที่มันไม่ยึดเองได้เพราะปัญญาของมันแก่รอบมันเห็นแล้วว่าเข้าไปยึดที่ไรก็ทุกทุกทีเลยนะแล้าเห็นเลยกายนี้ก็ทุกใจนี้ก็เป็นตัวทุก ถ้าเห็นถึงขนาดใจเป็นตัวทุกข์นะอันนี้จะสิน้นสิ้นวัตตะแล้วจะหมดความหมุนวนของวัฏตะแล้วนี่ก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นะเราก็มาภาวนามหัสปฏิบัติก่อนจะลงมือปฏิบัติขั้นแรกเลยตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนสำคัญมากคนรุ่นเราถือว่าศีลไม่ดีศีลเป็นเครื่องมือของคนออนแอปลอบนะ คนโง่ให้หลงเชื่อคนฉลาดก็หาผลประโยชน์โดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลไปคิดอย่างนั้นนะพวกนี้ไม่รู้จักคุณค่าของศีลถ้าเรารู้จักคุณค่าของศีลเราจะรู้ว่าสําคัญมากเลยศีล น, นี่นำความสุขมาให้ศีลเป็นต้นทางของพระนิพพานนะศีลจะนำให้ชีวิตเราพอเพียงอยู่ได้อย่างสบายไม่ลําบาก ศีลมีประโยชน์หลายอย่างศีล น, นำความสุขมาให้สังเกตดูนะด้วยสติด้วยปัญญาระหว่างคนมีศีลกับคนไม่มีศีลนใครมันจะสุขกว่ากันระหว่างคนที่ทำร้ายคนอื่นนะกับคนที่เมตตาคนอื่นคนไหนจิตใจจะมีความสุขกว่ากันนะระหว่างคนที่คิดจะช่อกงรักขโมยของคนอื่นกับคนที่กล้าเสียสละให้คนอื่นนน ใจิตใจของคนไหนจะดีจะมีความสุขกว่ากันคนที่ไม่หมกมุ่นในกวามโกลคนที่หมกมุ่นในกวามคนไหนจิตใจจะมีความสุขมากกว่ากันคนโกหกหลอกลวงกับคนมีสัจจะนะอันไหนจิตใจจะมีความสุขกว่ากันนะคนที่เหล้าเมายาติดยากับนะคนมีสติสัมปชัญญนะอันไหนจะดีกว่ากันเนี่ยถ้าเรามองให้ถ่องแท้นะเราจะรู้ว่าศีลไม่ใช่เรื่องลําบาก ศีลไม่ใช่ถือให้ลำบากนะแต่ศีลถือให้สบายนะถ้าเรายังเห็นว่าการถือศีลเป็นเรื่องลำบากแสดงว่ายังถือศีลไม่เป็นนะถ้าถือศีลเป็นเนี่ยเราถือด้วยใจถ้ถืถอศีลไม่เป็นเราถือด้วยมือด้วยเท้าด้วยปากคอยควบคุมคอยบังคับไม่ให้ปากไปว่าเขาไม่ให้มือเท้าไปทําร้ายไปลักขโมยไปประพฤติผิดอะไรต่างๆนะถ้าศีลพัฒนาขึ้นมาเต็มรอบนะจะรักษาใจอันเดียวมีสติรักษาจิตเอาไว้ กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันกิเลสครอบงำจินไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะงั้นพวกเราพยายามรักษาศีลให้เป็นศีลไม่จําเป็นต้องไปขอจากคนอื่นศีลมันเป็นการตั้งใจของเราเองนะตั้งเจตนาของเราเองว่าเราจะไม่ทําผิดศีลห้าข้อศีลนหะ้า ส, สำคัญที่สุดนะ สีนแปดสีลนสิบสีลนสองรอยี่สิบเจ็ดอะไรเนี่ยยังไงไงก็ทิ้งสีนห้าไม่ได้หลวงปู่ดุลเคยผ้าพราองหนึ่งว่าหมวดแตกถือว่ามีสีนสองรอยิบเจ็ดลืมถือสีนห้าสีลนห้าเนี่ยถ้ามีนะบรรลุมากผลได้นะถือสีลนสองรอยี่สิบสองข้อละสีลนห้าช่ไม่บรรลุหรอกสี่นที่จะแตกหักกับกิเลสเนี่ยสีนห้านี่แหละสำคัญมากเลย สัมมาวะจามันก็สีนข้อ 4, สี่สัมมากัมมันตางศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยสีลข้อห้าเป็นตัวกลางเนี่ยทำแล้วมีสติสัมปชัญญะเนี่ยตัวสีลที่สําคัญที่สุดนะสีห้านี่แหละพวกเราอย่างน้อยต้องรักษาไว้ให้ได้ตั้งใจอยู่ที่ความตั้งใจใว่าเราจะไม่ทําผิดศีห้าเมื่อตั้งใจแล้วเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราใจเราอยากทําผิดศีห้าเราคอยรู้ทันนะ ทำไมมันอยากทำผิดศีลห้าได้ก็เพราะราคาโทสะโมหะมแทรกเพราะกิเลสมันแทรกเพราะมีราคะใช่ไหมมีความโลภขึ้นมามีความอยากขึ้นมาเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นก็ได้นะอยากได้สมบัติของเขาไปทำร้ายเขาก็ได้นะไปรักเขาใช่ไหมก็ทำผิดศีลได้นะชอบเขาก็ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงรักเธอคนเดียวอะไรเนี้ยโกหกหรือรักเธอที่สุดในโลก นี่ก็กหทุกคนรักตัวเองมากที่สุดในโลกไม่มีรักเธอที่สุดในโลกเนี่ยพอมีราคานะทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะ <_ d ance> มีราคาเพลิดเพลินสนุกสนา น, นไปกินเหล้า <_ d ance> มีโทสะขึ้นมาก็ทําผิดศีลทั้งห้าข้อได้โทสะ <_ d ance> ขึ้นมาก็ไปทําร้ายเขาได้นะ <_ d ance> ไปแกล้งทําลายทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งขโ ม, มยเขาก็ได้นะ <_ d ance> แกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้นะ <_ d ance> แกล้งใส่ร้ายเขาก็ได้แกล้งชมเขาก็ได้วิธีทําร้ายคนนะ ใช้วิธีชมก็ได้นะผิดศีลข้อสี่เหมือนกันเขาทําไม่ดีเราก็ชมมันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะหลอกให้เขาเลวลงเรื่อยๆนะทําร้ายเขานะก็เกลียดเขาก็แกล้งเขานะทําผิดได้ทุกข้อนะหรือโทสะอยู่ในจิตจิตใจเศร้าหมองไปกินเหล้าก็ได้กลุ้มใจก็กินเหล้าคนไทยดีใจก็กินเหล้าเสียใจก็กิกนเหล้านะมีราคาก็กินเหล้ามีโทส ะ, ะก็กินเหล้าน มีกิเลสนะจะทําผิดศีลห้าได้หมดเลยนะยงั้นถ้าเรารู้ต้นต่อตรงนี้เรามีสติรู้ทันจิตใจของเราบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจนะใจมีราคะเขารู้ใจมีโทสะเขารู้ใจฟุ้งซ่านเขารู้ใจหดหู่เขรู้รู้เรื่อยๆไปถ้าเรามีสติรู้ทันจิตใจอยู่สติจะทําหน้าที่คุ้มครองจิตหน้าที่ของสติคือคุ้มครองนะ สติมีหน้าที่คุ้มครองจิตใจของเรานะมันมีลักษณะไปเป็นตัวไปรู้อารมณ์เป็นการไปรู้สภาวะต่างๆในเป็นหน้าที่ของสตินะแต่เมื่อสติมันทํางานนะั้นมันจะคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ตกต่าทันทีที่มีสตินะอาคุศนที่มีอยู่จะดับทันทีนะอาคุศลใหม่จะไม่เกิดในขณะที่เรามีสติทันทีที่มีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราอยู่เนี่ย กุศลนะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็จะเกิดบ่อยๆขึ้นนะงั้นมีสตินี่แหละนะก็จะละอกุศลที่มีอยู่นะกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทํากุศลที่เกิดแล้วให้เกิดมากขึ้นนะองค์ประกอบ4ประการนี้คือคําว่าวิริยะ น, ะนั่นเองวิริยะคําว่าวิริยามีความเพียรไม่ใช่เพียรถูรูดถูกังนะแต่หมายถึงว่าเพียรอะไรเพียร ละอกุศลที่กําลังมีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่เกิดแล้วให้มากขึ้นนี่เรียกว่าวิริยะนะถ้ามีสติก็จะมีวิริยะเกิดขึ้นนะต่อไป ส, สมาธิปัญญาอะไรพวกนี้มันจะตามมาเป็นแถวเลยนะงั้นเราคอยมีสติรู้ทันจิตไปสติจะคุ้มครองจิตไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว สตินั้นจะหนุนเสริมจิตให้ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อเรามีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตกิเลสจะดับทันทีกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงําจิตไม่ได้คนเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะคนทําผิดศีลเพราะกิเลสครอบงําจิตเนี่ยไปรู้หลักของการถือศีลให้ดีนะถ้าจะง่ายแล้วถือแล้วจะมีความสุขศีลนั่นถือแล้วมีความสุขมากนะไม่ใช่ถือแล้วลาบากถือแล้วลาบากนะเพราะถือไม่เป็น ถือเป็นถือไม่ลำบากยิ่งถือยิ่งมีความสุขนะจะรักจะห่วงแหนศีลมากเลยศีลนะเป็นต้นทางของพระนิพพานนะเพราะเรามีศีลแลเราจะได้สมาธิโดยง่ายนะจิตที่มีศีลคือมีความเป็นธรรมดาธรรมดานะพอมีศีลมันจะมีธรรมะเกิดขึ้นในใจหลายข้อนะอย่างเรามีศีลข้อหนึ่งเนะี่ยธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาคู่กับศีนข้อแรกเรื่องปานานติบาตนะคือความเมตตามจะเกิดขึ้น ธรรมะที่เกิดคู่กับศีลข้อสองเรื่องรักทรัพนะก็คือเรื่องเรื่องความใจกว้างของเราเรื่องจากคะเรื่องอะไรเนี้ยนอกจากไม่เอาของเขานะต่อไปอย่าพัฒนาถึงขั้นว่าให้ได้ด้วยนะให้ก็ให้เป็นลําดับลําดับนะให้เบื้องต้นนะเป็นบารมีศีลและบารมีเบื้องต้นให้วัตถุสิ่งของบารมีชั้นกลางนะก็ให้อวัยวะให้บริจาคเลือดอะไรอย่างนี้นะ บารมีของศีลขั้นสูงคือกล้าสละชีวิตเพื่อธรรม ะ, ะไม่ยอมผิดศีลมันจะค่อยแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับพอเรามีศีล น, นะใจเราจะมีความสุขมีความสงบง่ายในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งท่านบวชนะรุ่นเดียวกันนะเป็นพระอรหันต์ไปเป็นพระนาคาไปเป็นชั้นโน้นชั้นนี้ไปนะท่านไม่ได้อะไรเลยท่านเสียใจมากเลยวันหนึ่งเสียใจมากโทสะครอบงาจิตเศร้าหมอง เอามีโกนปาดคอตัวเองเลยนะระหว่างเอามีโกนปาดคอตัวเองแล้วก็ยืนพิงต้นไม้หรือพิงกุฏิอะไรไม่รู้หลวงพ่ออ่านมานานจำไม่ได้นะยืนพิงอยู่ท่านก็นึกว่าเนี่ยบวชแล้วไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วถ้าเกิดเฉลียวใจขึ้นมาก่อนจะตายเนยีเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลไม่เคยดังพร้อยเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยติท่านว่าศีลไม่ดีนะ พระอื่นๆก็ไม่เคยติท่านท่านก็ไม่เคยติตัวเองได้เลยว่าศีลดังพร้อยพอท่านคิดถึงว่าศีนของท่านดีท่านั้นใจของท่านสงบทันทีเลยเป็นศีลานุสตินะจิตจะได้สมาธิขึ้นมาทันทีพอท่านจิตได้สมาธิแล้วนะบารมีเก่าๆที่สะสมมามันให้ผลขึ้นมาล้อกุศลมันให้ผลนะต้ ม, มาฆ่าตัวตายนะแต่ในขณะที่กําลังจะตายนะกุศลให้ผลขึ้นมาล้ กระลึกขึ้นได้มีสติขึ้นมารู้ว่าเรามีศีลดีจิตจได้สมาธิขึ้นมามีสติมีสมาธิขึ้นมาเห็นร่างกายกําลังจะตายใจเป็นคนดูนะท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเนะนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะนั่งสมาธิอะไรก็ไม่เป็นนะนึกถึงว่าเรารักษาศีลได้ดีจิตได้สมาธิขึ้นมาโดยง่ายถ้าไม่มีศีนก็ไม่มีสมาธินะสมาธิจะเสื่อมเทวทัตเคยได้สมาธิ สมาธิอย่างดีเลยได้ถึงอภิญญานะแต่ในที่สุดศีลไม่ดีสมาธิเสื่อมเคยห่อได้ก็ต้องให้เขาหามมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะเสื่อมเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นต้นทางนะทำให้เราได้สมาธิโดยง่ายนะคนมีศีลใจมันจะสงบมันสงบง่ายคนไม่มีศีลใจมันฟุ้งซ่านนะโดยธรรมชาติเลยคนที่คิดทำร้ายคนอื่นใจฟุ้งซ่านคนคิดจะขโมยคนอื่นใจฟุ้งซ่าน คนคิดจะประพฤติ ผ, ผิดในกามใจฟุ้งซ่านคนโกหกหลอกลวงใจฟุ้งซ่านคนที่เล่าเมายาใจฟุ้งซ่านนะถ้าเรามีศีล น, นะเรามีสติรักษาจิตเรื่อยกิเลสเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันเราได้ศีลได้ศีลแล้วเนี่ยแค่เรานึกถึงศีลที่เรารักษามาอย่างดีนะใจก็สงบละใจมีความสุขละนะเราจะได้สมาธิโดยง่ายถ้าศีลเสียเมื่อไหร่สมาธิเสียเลยสมาธิเสียเดินปัญญาไม่ได้ น, น, นบทเรียนข้อแรกนะเรื่องการรักษาศีลมีสติรักษาจิตบทเรียนที่2เป็นการฝึกจิตเรียนรู้เรื่องจ to, ิตชื่อว่าจิตสิกขาจิตศิกขาเนี่ยเป็นการเรียนรู้เรื่องจิตถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตแล้วเราจะได้สมาธ ER ิ2ชนิดสมาธิสองชนิดสมาธิมี2ชนิดสมาธิชนิดที่1ชื่ออารมณูพนิชาน จิตเพ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอันที่สองชื่อลักขณูปณิชฌานจิตตั้งมั่นนะเป็นกลางแล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเรียกลักขณูปณิชฌานจะเห็นลักษณะเห็นไตรลักษณ์นั่นเองสมาธิมี2ชนิดต้องเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วที่คนทั้งหลายเขานั่งสมาธิกันนะเขานั่งสมาธิชนิดที่1เท่านั้นเองน้อยคนเหลือเกินที่จะขึ้นสู่สมาธิชนิดที่สอง เวลาไปนั่งปฏิบัตินะจิตเก็ไหไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวบ้างนะบางทีมันก็น้อมเข้าไปอย่างสบายก็ เ, เกิดฌานบางทีก็บังคับเอาไว้นะบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวเช่นบังคับให้อยู่กับลมหายใจบังคับให้อยู่กับโตไม่เกิดฌานนะเกิดความเคร่งเครียด เ, เพราะไม่มีความสบายจะได้ฌานได้สมาธิชนิดสงบเนี่ยจิตต้องมีความสุขถ้าจิตเคร่งเครียดไม่มีความสุขครั้งหนึ่ง ไปวัดครูบาจารย์ผู้ใหญ่สมัยน้นท่านนังมากเลยนะเข้าไปที่วัดตกกลางคืนนะเข้าไปภาวนากันที่โบสถ์ญาติโยมนะไปวัดท่านนะไปค้างที่วัดร่วมร้อยนะวันวันหนึ่งนะมีคนเข้าไปพากเยอะเลยกลางคืนไปนั่งภาวนากันที่โบสถ์โบสถ์ไม่ใหญ่นั่งไม่พอก็นะ อ, ออกมาอยู่อรอบรอบโบสถ์มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิอะไรรอบเลยหลวงพ่อก็จะไปกับเขาบ้างธรรมดาชอบภาวนาคนเดียว วันนั้นจะไปดูเขาเข้าไปรอบๆโบสถ์ไม่เห็นคนภาวนาเห็นคนเยอะๆเลยนะนั่งสมาธิอยู่เดินจงกรมอยู่ในใจมันก็บอกไม่มีคนภาวนานะไม่มีคนปฏิบัติแอบค่อยๆแทรกแทรกคนเข้าไปดูในโบสนั่งสมาธิเยอะเลยในใจมันก็คิดขึ้นมาอีกไม่ได้ปฏิบัติทำไมไม่ปฏิบัติมีสองชนิดนะพวกหนึ่งนั่งแล้วเคลิมไปเคลิม อีกพวกหนึง่งนะมันมันเครียดไปนะพวกหนึ่งก็เลื่อนไหลเลื่อยเชื่อไปแล้วพวกหนึ่งก็ตึงเครียดเกินไป ใ, นใจก็นึกปรามาดเขานะไม่มีนักปฏิบัติเลยไม่มีคนปฏิบัตินะถอยออกมาเลยไม่เอาหรอกไม่อยู่ด้วยหรอกเราไปพอหนางเราใต้ต้นไม้ดีกว่ารุ่งเช้าตามป้าคนหนึ่งเข้าไปป้านี้เป็นคนจัดดอกไม้ถาวายหลวงปู่ ตามป้าเข้าไปหลวงปู่เห็นหน้าเรานะยิ้มหลวงปู่องค์นี้ท่านจะยิ้มลูกเดียวยิ้มหวานเลยก็บอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะเราคิดอยู่ที่โบสถ์นะเมื่อคนะืนเช้าในโดนท่านจวกเลยนะไปยุ่งกับเขาทําไมอนะ่ะแล้วตัวเองเป็นนักปฏิบัติเหรอเที่ยงไปดูคนอื่นอนะ่ะไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันนะ ถ้าโดยท่านสอนข้าให้วัด น, นี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะพูดยิ้มๆนะโอ้ยฝังแล้วสะเทือนเหมือนโรกสะเทือนเลยนะทำไมก่อนนะั้นเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์นะหาคนซึ่งมีสมาธิที่ถูกต้องสักคนหนึ่งแต่ละวัดยากเหลือเกินที่จะมีนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระยังไม่ค่อยจะมีเลยนะบางทีครูบาอาจารย์ทำได้นะพระลองๆมาก็ไม่ค่อยจะมีหรอก ส่วนใหญ่มันมีแต่สมาธิชนิดไปเพ่งอยู่ในรมันเดียวนิ่งๆสงบอยู่ในรมันเดียวเห็นสีเห็นแสงเห็นโน้นเห็น น, นีน่ออกไปก็มีนะบางทีก็เคลิ้มบางทีก็โลกธาตุดับไปเลยเหลือตัวรู้อยู่ตัวเดียวแล้วก็เด่นอยู่แค่นั้นอะไปไหนต่อไม่เป็นละนะส่วนใหญ่จะทําได้แค่นั้นนี่หลวงพ่อสอนเพื่อนๆตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะสอนเพื่อนๆมันรู้สึกตัวเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจิตตื่นขึ้ น, นมา รู้สึกตัวเป็นภาวะที่จิตตื่นภาวะที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นสภาวะของสมาธิอย่างที่สองนะสมาธิที่นั่งเครือบเคลมมันสมาธิลือสีมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธหรอกเพราะว่ามีประโยชน์มีประโยชน์เหมือนกันในแง่เอาไว้พักผ่อนถ้าจิตใจได้พักผ่อนเนี่มีเรี่ยวมีแรงจเจริญปัญญา ง, ง่ายแต่ว่าเอาแต่พักผ่อนเนี่ยเจริญปัญญาไม่ได้เอาแต่นอนจะรวยไหม ไม่ได้ทํามาหากินไม่รวยทํามาหากินแล้วไม่รู้จักพักผ่อนอยู่ไหวไหมไม่นานก็ตายใช่ไหมถ้าทําได้ทั้งสองอย่างนะถึงเวลาทํางานก็ทํางานถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนอันนี้จะดีถึงเวลาจะเดินปัญญาก็เดินปัญญาไปใช้สมาธิชนิดเดินปัญญาถึงเวลาพักผ่อนใช้สมาธิพักผ่อนเนี่ยทำได้อย่างนี้ได้ดีที่สุดเลยนะเพอร์เฟกดีที่สุดถ้าพักผ่อนไม่เป็นนะจะเดินไปเรื่อยเดินปัญญารวดไปนะ ไปได้เหมือนกันแต่ไปได้แบบแห้งแรงเรียกว่าสุขวิปัสสกะนะเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะแต่ก็จะไปด้ยวยความแห้งแล้งทุรักันดานนะถ้าทําฌานได้ก็พักเป็นระยะไปพักนะมีแรงออกมาเดินปัญญาต่อแต่ส่วนใหญ่เข้าพักแล้วไม่เดินปัญญาติดอยู่แค่นั้นนะคิดว่าทําสมาธิมากๆสงบมากๆนิ่งมากๆไม่คิดไม่นึกมากๆจะบรรลุพระอรหันต์ไม่บรรลุหรอกมันไม่ได้ไปเจริญปัญญานะหลุดพ้นได้ด้วยปัญญานะ พระเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาวิธีฝึกสมาธิชนิดที่1 น, นะก็คือง่ายๆเลยมันชื่ออารามณูพนิชานมันเพ่งอารมณ์เราต้องรู้จักเลือกอารมณนะ์อารมณ์อะไรที่จิตเราไปอยู่แล้วมีความสุขเราก็นึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆนะมีสติระลึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆคนไหนพูดโธแล้วมีความสุขก็พูดโธไปคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไป อย่างอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งที่ดูแล้วมีความสุขเพราะเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขเนะี่ยจิตจะพอใจจิตจะไม่แสบสายไปหาอารมณ์อื่นการที่จิตของเราฟุ้งซ่านขาดสมาธินะเพราะจิตเที่ยววิ่งหาความสุขวิ่งไปทางตาเพราะหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปทางหูไปฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจหวังว่าจะมีความสุขทั้งนั้นเลย มันเที่ย ว, ยวสแสวงหาความสุขแต่มันหาความสุขจริงๆไม่ได้แลมันไม่อิ่มมันไม่เต็มนะไปดูหนังคิดว่ามีความสุขก็สุขแป๊บเดียวนะหมดความสุขแล้วเดี๋ยวต้องไปหาอะไรต่อเนี่ยเที่ยวหาไปเรื่อยๆนะจริงๆแล้วจิตที่ฟุ้งซ่านนะเพราะจิตมันหาความสุขถ้าเรารู้หลักตัวนี้นะเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อนะค่อยๆเอาเบ็ดเอาเหยื่อมาตกปลานะเหยื่อของเราก็คืออารมณ์ที่มีความสุขนะคอยมาตกปลาปลาก็คือจิตของเรา เอาอาหารที่ปลาชอบมานะปลาก็มา ก, กินเหยื่อนะจิตนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะคิดถึงพุโทโธแล้วมีความสุขเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธมีความสุขนะจิตจะสงบอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปที่อื่นนะเหมือนปลานะพอใจปลาก็จะมากินเหยื่อเองเ ร, เราเอาเหยื่อไปหยอดนะลงน้ําไว้เห็นปลาอยู่โน่นเอาไม้ไปไล่ตีจะให้มันมากินเหยื่อมันจะกินไหมไม่กินหรอกมันจะหนีก็เจอกระเจิงไปเลย งั้นเราอยิบยุ่งกับจิตดี๋ยวไปบังคับจิตว่าจะต้องอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะถ้าบังคับจิตว่าต้องอยู่กับพุทโธอย่าไปอยู่ไปที่อื่นนะจิตจะไม่สงบหรอกจิตจะหนีมันเหมือนกัปลาอยู่มาจะมากินเหยื่อเราเห็นมันไม่เข้าใกล้ออกไม้ไปไล่ตีข้างหลังมันนะตีหางมันจะให้มันมากินเหยื่อมันไม่กินหรอกมันหนีจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าจะให้มันมาจับอารมณ์นิ่งๆสบายอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วไปบังคับมันนะมันจะไม่สงบเลย ต้องปล่อยมันตามธรรมชาติจะสงบก็ช่างจะไม่สงบก็ช่างฉันมีหน้าที่มีสติรู้อารมณ์กรรมฐานอันนี้ก็ทําของเราเรื่อยไปนะถึงเวลามันสงบเองเหมือนถึงเวลาปลามันมากินเหยื่อเองนะนี่พูดให้คนยะโสธรฟังต้องเปรียบเทียบกับปลาบ้างอะไรบ้างนะเปรียบเทียบกับไอทอะไรเดี๋ยวยังไม่เข้าใจง่ายเพราะเราอย่าไปบังคับจิตให้สงบนะ ทำกรรมฐานที่จิตมันพอใจแล้วจิตมันจะสงบเองนี่คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับของการทําสมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานสมาธิอย่างที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานเป็นสภาวะที่จิตตั้งมั่นและสงบในตัวเองนะแต่ว่าจุดหลักอยู่ที่ความตั้งมั่นตั้งมั่นคือไม่เคลื่อนไม่ไหลไปนะวิธีที่จะให้เกิดสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นไม่เคลื่อนไม่ไหลเนี่ยง่ายๆนะใช้สตินี่แหละ รู้ทันเวลาจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปดูรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์อะไรรู้ทันจิตเคลื่อนไปที่ไหนคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเราจะได้สมาธิตัวนี้แล้วค่อยๆฝึกไปทีแรกตั้งแว็บเดียวแล้วก็ไหลอีกเราก็รู้อีกเมื่อตั้งอีกแว็บหนึ่งต่อไปพอไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะถ้าหัดใหม่ๆก็จะไหลแวบค่อยรู้สึก แวบนานแล้วค่อยรู้สึกนะหลงยาวยิ่งฝึกนะ่ยจะแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะจิตกระดิกตัวคลิกคลิคลิคลิกเนะี่ยเห็นเลยนะจิตไม่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูมันจะมีความรู้สึกมันรู้ตัวอยู่ทั้งวันได้นะค่อยๆฝึกเอาพอนะได้จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันถึงขั้นเดินปัญญานะเดี๋ยวค่อยลาดว่าต่อตอนนี้ไปกินข้าวกันนิมนต์เลยครับเชิญโยมไปทานข้าว